ขอกราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบมายัางพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์แสนปราดถวายความกรุบมายัางเพื่อนสาธมิกเจริญพรมยังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติตามทุกท่าน <c oughs> าก็นั่งกันตามปกติเนาะ ใครที่รู้สึกง่วงๆก็พยายามปลุกตัวเองนะให้ตื่นนะโดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะบางส่วนบางคนเมื่อคืนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะแปลกที่แปลกทินก็ไม่เป็นไรเนาะตอนนี้เรามาไหว้พระสวดมนต์ปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นขึ้นนะด้วย บทมนต์ต่างๆนะเรียกว่าสาธยายมนตนะ์ก็ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะอย่าซึมเศร้ามัวงเหงาเอานอนนะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะเวลานี้เป็นเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ตัดสรูนะ้เขาเรียกว่ายามสุดท้ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จะตื่นรู้ได้ดีมาก แล้วก็ความคิดยังไม่ค่อยมีมากนักนะก็ถือว่าเป็นเวลาดีนะสำหรับการที่เราจะมาศึกษานะมาเรียนรู้นะเรื่องจิตเรื่องใจของเรานะวันนี้ก็วันวันนี้ตรงกับวันพุธนะที่6กรกฎาคมนะพุทธศักราช2 5 5 9นกะก็เป็นวันที่2นะที่สาธารณาสุข จังหวัดนครราชสีมานะก็นําเจ้าหน้าทีนะ่ทางด้านสาธารณาสุขนะก็ประกอบไปด้วยเภสัชกรพยาบาลนะเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตันตสาธารณาสุขบ้างนะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แผนไทยบ้างนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านอื่นๆรนะวมแล้วก็ประมาณ92้าสิคนนะก็มา ฝึกฝ น, นอบรมตัวเราเองเพื่อให้มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนแล้วก็มีพลังมีกำลังพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการบรรจุใหม่เส้นโครงการนี้ก็ตาม เ, าเรียกว่าโครงการาสั ม, มานาหรือว่า สัมมน า, าหรือว่าประชุมนะเพื่อที่จะให้เป็นข้าราชการที่ดนะีซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็จะต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างนะความรู้วิชาการที่เรามีนะอั น, นี่ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญอยู่แล้วนะที่เรามีแล้วก็ระเบียบวินะัยความเข้าใจการติดต่อสัมพันธนะ์กับเพื่อนร่วมงานกับผู้วัง ผู้บังคับบัญชานะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ที่มารับบริการนะคนป่วยคนไขนะ้ซึ่งตรงนี้เนะี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องอาศัยจิตใจนะที่มั่นคงหนักแน่นนะรู้เนื้อรู้ตัวนะมีความตื่นตัวนะไม่ซึมเศร้านะไม่เครียดนะไม่ เซงนะพูดง่ายๆไม่เซงนะส่วนใหญ่พวกเราอยู่ในวงการสาธารณสุขนะก็คงจะรู้จักนะเรื่องของโรคภัยแข่เจ็บนะที่มีมาสารพัดนะแต่ส่วนใหญ่เราก็รู้จักกันแต่โรคทางกายนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสารพัดนะที่เกิดจากอาหารการกินบ้าง เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ้างเกิดจากเชื้อโรคบ้างนะโดยเฉพาะยังยิ่งโรคทางกายเนี่ยเราเห็นได้ง่ายนะจะเป็นช่วงนี้อากาศชื้นนะบางคนก็เป็นหวัดเป็นไอนะบางทีก็เป็นไข้นะบางคนก็นะเป็นโรคเกี่ยวกับร่างกายนะเส้นเอ็นบ้างกระดูกบ้างนะ หรือที่ร้ายแรงที่สุดตอนนี้ก็คือโรคมะเร็งใช่ไหมคนไทยนี่เป็นมะเร็งติดอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะซึ่งมันก็เกิดจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะไม่เคยถูกนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเรารู้จักดีแล้วก็พวกเราก็มีหน้าที่โดยตรงเนาะในการที่จะดูแลรักษานะผู้มารับการบริการ นะที่จะทำอย่างไรให้โรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นนะได้หายไปทีนี้มันมีโรคอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักกันหรือบางทีเราก็ไม่ได้สนใจนะโรคชนิดนี้เนี่ยนะมันเกิดได้กับทุกคนนะและโรคชนิดนี้เนี่ยหมอก็รักษาไม่ได้นะเราจะต้องรักษาตัวเองนะโรคทางนี้มันมีอาการอย่างไง เช่นขนาดนี้บางทีอาจจะซึมซึมอาจจะเซ็งเงอาจจะเบือบ่อเบือาจจะเหงาเงาอาจจะเศร้าๆนะหรือบางคนก็อาจจะเกิดความเครียดนะในการทำการทางานนะไม่ได้อย่างที่หวังนะผิดหวังนะมีความโศกเศร้าเสียใจนะเรียกว่าเสียอกเสียใจนะหรือบางทีก็ดีใจเกินไป โรคชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคทางใจโรคทางใจโรคทางใจหรือบางทีเราก็เรียกว่าทุกความทุกข์ในใจก็ได้โรคชนิดนี้เนี่ยมันมีทุกคนแหล ะ, ะแล้วก็มีไม่ใช่น้อยด้วยโรคทางกายเนี่ยเขาบอกว่าบางทีบางปีเราไม่เป็นเลยก็มีบางคนดูแลสุขภาพดี5ปี10ปีก็ไม่เป็นเลยก็มีแต่โรคทางใจเนี่ย นะมันเป็นทุกวันเลยนะเช้าสายบ่ายคำ่ำมันก็เป็นไดนะ้บางทีเราก็ซึมซึมบางทีเราก็เศร้าเศร้าบางทีเราก็เซ็งเซ็งหรือบางทีเราก็เครียดนะชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วเวลาหนึ่งมันก็เกิดขึ้นนะหรือบางทีก็คิดฟุ้งซ่านนะคิดไปต่างๆนานานะโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวโรคชนิดนี้เนี่ย เป็นโรคที่น้อยคนนะที่จะรู้จักนะหรือเรารู้จักเหมือนกันเราสัมผัสมันเหมือนกันแต่เราไม่รู้จะแก้มันยังไงหมอในโรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้นะยาไม่มียาขนาดไหนรักษาไดนะ้มีแต่เราจะต้องรักษาด้วยตัวเราเองนะซึ่งคนที่ค้นพบนะวิธีการรักษานี้คนแรก นะก็คือพระพุทธเจ้านะเมื่อประมาณ 2,700 ปีที่แล้วนะท่านค้นพบว่านะโรคทางใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ความจริงของกายของใจแล้วนะเราก็หลงไปชื่นชมยินดีนะไปยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะแล้วก็พยายามนะที่จะ หลีกลี้หนีหนีไปไม่พยายามเรียนรู้ไม่พยายามศึกษาเช่นเวลาเราเกิดความโศกความเศร้าความเสียใจเนี่ยเราก็ไปหาเรื่องข้างนอกไปหาเรื่องวัตถุบ้างไปหาตัวบุคคลบ้างนามาเป็นเพื่อนคุยหรือว่าไปหากิจกรรมอื่นๆเพื่อที่จะกลบเกลื่อนไปวันๆหนึ่งนะซึ่งอันนั้นไม่ใช่การรักษา นะไม่ใช่การเรียนรูนะ้ที่จะรักษาโรคทางใจแต่การจะรักษาโรคทางใจนั้นเราจะต้องกลับมานะกลับมาเรียนรู้มันด้วยตัวเราเองการเรียนรูนะ้โรคทางใจเนี่ยนะหรือบางทีก็เรียกว่าความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ในจิตในใจเนี่ยนะเราจะต้องหันหน้ามาเรียนรู้มันมาดูมัน มองมันได้เห็นว่ามันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ไขยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยในการวินิจฉัยโรคในการหาสาเหตุของโรคในการหาทางออกจากโรคหรือความทุกข์เครื่องมือสำคัญนั้นเราเรียกมันว่าสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสองคำนี้รวมกันเรียกง่ายๆว่าความรู้สึกตัวในภาษาไทยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคนที่ค้นพบคนแรกก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองท่านค้นพบในวันวิสาข บ, บูชาเมื่อประมาณสอง0ันเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็ได้ อบรมสั่งสอนถ่ายทอดต่อมาผ่านพระอรหันต์ครูบาจารย์ต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเราซึ่งที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็มีหลวงพ่อคำเขียนก่อนหน้านั้นก็มีหลวงพ่อบุญธรรมที่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งวัดนี้ขึ้นมาทั้งหลวงพ่อบุญธรรมก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดี นะก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนหนะลวงพ่อเทียนก็เป็นผู้ที่นำวิธีการนะในการรักษาโรคทางใจนะที่เรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวหลายคนเมื่อวานมาก็คงจะงงๆคงจะสงสัยว่ามาทำอะไรนะเพราะเราคุ้นเคยกับการฝึกสมาธิฝึกจิตนั่งนิ่งๆิ่งนั่งเงียบเงียบไม่ต้องคิดอะไร นะหรือบางคนก็เคยฝึกนะวิธียุบหนอพองหนอพุทธโทสัมมาอารหังหรือจะเป็นวิธีการใดก็ตามทุกวิธีเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะมาเรียนรู้โรคทางใจนะมาเรียนรู้โรคทางใจแล้วก็หาสาเหตุของมันแก้ไขมันซึ้นทุกวิธีเนี่ยนะก็เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทุกคนมีอยู่แล้วน่เป็นความรู้สึกตัวตามสัญญาติยานเป็นสติสามัญสตินี้เราไว้ใช้ในการทำการทำงานในการทำหน้าที่ต่างๆในการติดต่อผู้คนแต่สติชนิดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะไปเห็นโรคทางใจ ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนความเศร้าเสียใจความเครียดซึ่งมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเราจึงต้องมาพัฒนาพัฒนาหรือบางทีก็เรียกว่าภาวนานาซึ่งตรงกับคําว่าเจริญนั่นเองเรามาที่นี่เพื่อมาพัฒนาหรือมาเจริญความรู้สึกตัวที่มีตามสัญชาตญาณน่ะ ให้มันมีความจับไวขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเรียกว่าทำจากพัฒนาสติตามสัญญาตยานสติสามัญให้เป็นมหาสติหรือบางทีก็เรียกว่าสติปฐานเป็นสติที่มีความว่องไวนะที่จะไปเห็นอาการของโรคทางใจนะที่เกิดขึ้นนะภายในจิตในใจของเราเห็นทางออกทางแก้ ทางรักษานะความเจ็บไข้หรือว่าความไม่สบายทางใจนะโรคทางใจนะที่เกิดขึ้นนะตัวสตินี้เองนะจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนามีการปรับปรุงโดยเพราะยิ่งกลุ่มที่มาจากสาธารณาสุขนะครราชสีมาเรามีเวลาน้อยมาก3มวันวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้น ในการที่เราจะมาฝึกฝนพัฒนาความรู้สึกตัวซึ่งเครื่องมือนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเราไม่ได้สร้างขึ้นใหม่เพียงแต่ว่าเราทำให้มันต่อเนื่องรูปแบบของการปฏิบัติก็ไม่ยากนะเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปนั่งนิ่งนิ่งไม่ต้องไปใช้คำบริกรรมนะไม่ต้องไปทำให้ใจมันสงบนิ่งไม่คิดอะไร ทำตามธรรมชาติธรรมดาอาศัยการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหววิธีการนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีในพระไตรปิฎกเลยพระพุทธเจ้าสอนในพระไตรปิฎกในหมวดมาสติปฐานสูตรหมวดกายเนี่ยไม่ได้พูดไว้ชัดว่ายกมืออย่างนี้แต่บอกว่าเมื่อยกมือเข้า นะเคลื่อนมือเข้าเอามือออกให้มีความรู้สึกตัวนะพูดไว้แค่นี้ทีนี้ครูบาอาจารย์ก้าตรงนี้มาสร้างเป็นรูปแบบขึ้นมาหลวงพ่อเทียนก็ไปเรียนรู้มานะจากเมืองลาวนะแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงในรูปแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็นะเรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวใช้อิริยบทการสร้างจังหวะ14จังหวะ ในท่านั่งแล้วก็อีกท่าหนึ่งคือเดินจงกรมท่าเดินนะก็จะเน้นที่สองอิริยาบถนี้มีนั่งแล้วก็มีเดินจริงๆมีอีกสองอิริยาบถคือยืนแตนะ่ยืนเราย่ําเท้าอยู่กับที่แล้วก็รู้สึกตัวกับเท้าที่สัมผัสพื้นนอนก็ทําได้แต่ไม่แนะนําให้ทำเพราะว่ามันจะง่วงหลับง่วงนอนนะและในการทําเนี่ย เราไม่ต้องหลับตาเราลืมตานะลืมตาเพื่อให้มันตื่นถ้าเราหลับตาเนี่ยมันไม่ทอดสะพานให้กับความง่วงนะเราไม่ต้องไปสะกดจิตตัวเองให้นิ่งไม่ต้องคิดอะไรไม่ใช่เพียงแค่เรารู้เมื่อพลิกก็รู้สึกตัวเมื่อยกก็รู้สึกตัวเมื่อเคลื่อนก็รู้สึกตัวเมื่อหยุดก็รู้สึกตัวให้รู้เคลื่อนรู้หยุดเหมือนเดินเหมือนกัน นะการเดินจงกลมไม่ใช่การเดินวงกลมนะบางคนไม่เข้าใจนะแล้วก็เดินไปเลื่อยเปื่อยไม่มีเป้าหมายการเดินจงกลมเนี่ยนะต้องมีเป้าหมายมีจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายนะระยะที่หมดที่เหมเาะก็คืออย่างน้อย8ปดก้าอย่างมาก 12-14-9 ถึงเนะ้เดินยาวเกินไปมันจะเพลินเพลินแล้วมันเผลอเผลอแล้วมันไม่รู้ตัว ขณะที่เดินก็ให้รวบมืออย่าเดินตามสบายแกว่งแขนนะสบายมากมันก็จะเพลินมันจะเพลิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะรูปแบบก็ไม่ยากทำได้ง่ายง่ายนะเมื่อวานอาจารย์ทรงสิลปก็ให้สูตรสำเร็จง่ายๆนะที่บอกว่าใจมีสติอยู่กับกายนี่ก็คือเหตุสร้างเหตุ ให้ใจมีสติอยู่กับกายเมื่อใจมีสติอยู่กับกายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือใจมันปกติสภาพใจปกตินี้ก็คือใจที่มันไม่เป็นโรคอะถ้ามันไม่ปกติมันก็เป็นโรคอ่ะมันดีใจเสียใจน่ะเศร้าใจน่ะพอใจไม่พอใจอันนี้คือโรคทางใจเพราะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นโรคทางใจไม่รู้เท่าไหร่แต่ธรรมชาติมันก็ดีอย่างหนึง่ง เราจะดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอย่างไรก็ตามมันจะมาจบที่ปกติปกติคือเป็นไงก็เฉยๆอะ่ะอย่างขณะที่นั่งฟังตอนนี้ถ้าใครใจปกติเฉยๆนั่นแหละนะคือสภาพที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเป็นสภาพที่เรียกว่าไม่มีโรคทางใจนะที่ทำให้เราไม่เครียดทำให้เราไม่เป็นโรคประสาททำให้เราไม่เป็นบ้านะเดี๋ยวนี้ คนไทยไม่ว่าจะเพาะคนใดยหรคนทั้งโลกอะ่ะเป็นโรคเยอะโรคประสาทโรคเครียดโรคจิตนะก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนี้เองความทุกข์หรือโรคทางใจเกิดจากการไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจนะแล้วเราก็พยายามกดข่มมันบ้างนะบางคนกดข่มเขาเรียกเก็บกด บางคนไม่กดข่มไม่เก็บกดแต่ไปกรบเกลื่อนกรบเกลื่อนไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปหาเพื่อนคุยนะบางคนก็อาศัยยาเสพติดสุรายาเมานะเพื่อให้มันลืมๆไปแต่มันก็หายมันไม่หายหรอกเพียงแค่มันบันเทาชั่วคราวกบเกลื่อนไปวันๆหนึ่งหรือบางคนนอนไม่หลับคิดมากฟุ้งซ่าน นะทำยังไงก็ไม่หลับต้องอาศัยยานะซึ่งตรงนี้ถ้าอาศัยกินบ่อยๆมันก็จะติดแล้วมันก็ไม่ดีกับสุขภาพเพราะนั้นตรงนี้แหละนะเป็นความไม่รูนะ้ความไม่รู้ของมนุษย์เราไม่รู้กับโรคไม่รู้กับสาเหตุแล้วก็ไม่รู้จากทางแก้เพราะฉะนั้นการที่เรามาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ มาค้นหายารักษาโรคโรคทางใจนะ่ะเรียกว่ายารักษาใจนะ่ะยารักษาใจสามวันเนี้นะ่ะตั้งใจดีๆทำให้มันต่อนเนื่องนะมันก็อาจจะได้เครื่องมือได้ยานะที่จะไปรักษาตัวเรานะ่ะเมื่อเรารักษาโรคชนิดนี้ได้เราก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้อีกกับญาติมิตร กับเพื่อนกับผู้มารับบริการนอกจากนั้นมันจะทำให้เรามีความสุขนะมีความสุขแล้วไปทำงานนะอย่างอาจารย์ทองเสิญนั้นพูดเมื่อวานเมื่อมีความสุขมีความสุขก็คือความไม่มีโรคนั่นเองนะมีพุทธศาสนาสุภาษิตบอกว่าอโรกยาปรมารภ า, าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐโรคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโรคทางกายอย่างเดียวนะ โรคทางใจด้วยถ้าเราไม่มีโรคทางใจคิดดูนะมันจะมีความสุขขนาดไหนโรคทางกายเนี่ยนะบางทีมันมีก็รักษาไปให้หมอเขารักษาหรืออย่างพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลก็รู้วิธีการรักษาโรคอยู่นะเราก็รักษาตัวเราเองได้รักษาคนที่มารับบริการได้แต่โรคทางใจไม่มีใครรักษาได้นอกจากตัวเอง เนะ่ยบันั้นสามวันนีนะ้จะเป็นวันที่เรามาค้นคว้าสแสวงหายารักษาโรคทางใจนะด้วยการเจริญสตินะตัวสติตัวปัญญานี่แหละนะเรียกว่าเป็นยารักษาโรคทางใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปเป็นเรื่องที่ทำได้นะเพียงแต่ว่าในขณะปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอาการของโรคแสดงออกมา นะความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านเนี่ยโลคมันแสดงตัวมาให้เราดูเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับโรคเหล่านี้แลวเราก็จะรักษามาด้วยการกลับมารู้สึกตัวตัวความรู้สึกตัวเนี่ยแหละจะเป็นยารักษาโรคนะโลกทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราและถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยโอ้โหนะ อโลกยาปรมารพ า, าเราจะซึ้งเลยคำคำนี้ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะเป็นความจริงนะีสิ่งที่พุทธองค์ได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ขอให้เราตั้งใจนะในการที่เราจะได้มาเรียนรู้นะคนหายารักษาโรคทางใจนะก็คือการเจริญสติการพัฒนาสติหรือความรู้สึกตัว ซึนะ่งเรียกว่าเป็นธรรมโอสถก็ได้เป็นยารักษาโรคทางใจก็ได้นะซึ่งยาตัวนี้เรามีอยู่แล้วในตัวเราเพียงแต่เราจะปรุงขึ้นมาหรืไม่หเท่านั้นเองวัตถุดิบก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนมันอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหลนะเพียงแต่เราปรุงมันขึ้นมาทำมันขึ้นมานะมีความศรัทธามีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ โรคทางใจในรักษาได้นะมีเมื่อมีความศรัทธาแล้วมีความเพียร น, นะที่จะทำให้มันต่อเนื่องโดยเฉพาะในรูปแบบการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะในรูปแบบเราจะทำให้ต่อเนื่องนะซึ่งวันนี้เราจะได้ทำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรามากันเป็นกลุ่มอ่นะมันก็จะทำให้มีพลัง ในการที่จะเรียนรู้มีความศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิคือความตั้งใจมั่งมีความมั่นใจตั้งอกตั้งใจในการที่จะฝึกฝนอบรมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกๆอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมันได้ด้วยความรู้สึกตัวมีปัญญาเห็นความจริง ของกายของใจนะที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอากาศนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาการของกายก็เหมือนกันนั่งนานๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยนะมันก็จิตมันก็คิดนึกไปในเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวปกติเฉย นะอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกมันจะเกิดความเอื่มละอาเบื่อหน่ายปล่อยวางก็เรียกว่าเบื่อหน่ายคายกำหนัดเกิดการปล่อยการวางใจมันก็โล่งเบาสบายที่เคยหนักก็เบานะที่เคยคุ้นคิดหมกมุ่นคุ้นคิดจมอยู่ในกาลโอมต่างๆก็จะได้ถอนตัวออกมา นะมาอยู่กับความเป็นปกติของใจสภาพที่ไม่เป็นโรคนะความไม่มีโรคทางใจแล้วนะก็คือความเป็นปกติของจิตของใจนั่นเองแรกๆมันก็ไม่เคยปกติหลักนะแต่มันก็จะมีปกติบ้างไม่ปกติบ้างตรงนี้ให้เราเห็นมันเห็นมาแล้วเห็นมันอีกนะมันก็จะมีสิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาคือรู้เห็นนะความคิดปรุงแต่ง กายที่มันเคลื่อนมันไหวใจที่มันคิดมันนึกแล้วเกิดการปล่อยการวางนะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละนะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้มาร่วมกันศึกษาร่วมกันปฏิบัติร่วมกันนะในสามวันนีนะ้ขอให้ตั้งใจให้ดีนะอาไรนี้ก็เป็นสิ่งที่จะฝากเอาไว้นะในเช้าวันนีนะ้ก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะ ได้มาค้นหายารักษาใจนะก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนะด้วยฝีมือของเราเองนะถ้าเราทําได้มันก็จะติดเนื้อติดตัวกลับไปสู่ที่บ้านกลับไปสู่ที่ทำงานแล้วก็จะติดเนื้อติดตัวเราไปถ้าเราไปพัฒนาให้มันต่อเนื่องก็จะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายนะเราก็จะร่วงพ้น จากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายได้นะเรียกว่าแก่ก็ยังแก่แต่ว่าแก่แล้วไม่ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกขนะ์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้พูดเอาไวนะ้เรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ดูจริงไหมด้วยตัวเราเองนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะฝากเอาไว้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างองิงขอบคุณของพระสีรัตนไตรยัย นะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสิ่งสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจะจะทำความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งในส่วนกายส่วนใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆที่แสดงออกมาพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะ การกระทาของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะด้วยสติสัมปชัญญนะด้วยความศรัทธาความเพียรมีสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้การกระทาของเราเหล่านี้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนาให้เราสิ้นโลกภัยทั้งในส่วนของกายส่วนของใจนะ ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร